พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีสุนักขัตสูตรว่าด้วยเจ้าสุนักขตะลิชวีบุตรการศึกของภิกษุคือความตายในอริยวินัยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ ก, กูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลภิกษุเป็นจำนวนมากได้พยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจารย์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเจ้าสุนัขะตะลิจวีบุตรได้ฟังว่าภิกษุจำนวนมากได้พยากรอรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลถามถึงเรื่องนี้ว่าภิกษุเหล่านั้น ได้พยากรณ์อรหัตผลโดยชอบหรือว่ามีภิกษุบางพวกได้พยากรณ์อรหัตผลด้วยความสําคัญตนว่าได้บรรลุพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีภิกษุบางพวกในศาสนานี้ได้พยากรณอรหัตผลโดยถูกต้องทีเดียวแต่มีภิกษุบางพวกในศาสนานี้ได้พยากรณ์อรหัตผ ล, ด, ต ด, ตตลด้วยความสาคัญตนว่าได้บรรลุ สุนัขะตะบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายผู้พยากรอรหัตผลโดยชอบเหล่านั้นย่อมมีอรหัตผลจริงทีเดียวส่วนบรรดาภิกษุผู้พยากรอรหัตผลด้วยความสำคัญตนว่าได้บรรลุเหล่านั้นตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นในเรื่องนี้ตถาคตมีความคิดอย่างนี้ว่า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 สุนัขขตะกามคุณห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโอดทัพพระที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำนัดสุนัขขตะกามคุณมีห้าประการนี้แล สุนขัขตัดเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรหมายถึงกามกุลห้าประการคือรูปเสียงกลิ่นรสปทพะัะบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมะอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นครบแต่คนประเภทนั้น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 พึงถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาภาษน้อยบุรุษนั้นพึงบอกเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาภานษน้อยแก่เขาสุนัขขตะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือคนนั้นพึงสนใจฟังบุรุษนั้นเงียสโสดับ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 มีแต่น้อมใจไปในโลกามิตรสุนักขตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในอนเนนชาสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่อเนนชาสมาบัติเท่านั้นยอมตรึกตรองธรรมะอันสมควรแก่อเนนชาสมาบัตินั้นกบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้น แต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องโลกามิตรย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียโสดศักดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่กลับเขียวสดขึ้นมาได้แม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในโลกามิตรของบุคคลผู้น้อมใจไปในอนเนนชาสมาบัติก็หลุดไปฉันนั้นเหมือนกัน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 ย่อมตรึกตรองธรรมะอันสมควรแก่อากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นครบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอเนียนชาสมาบัติยอมไม่สนใจฟังไม่เงียโสอดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่ครบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นก้อนศิลาแตกออกเป็นสองเสียงแล้ว ย่อมเป็นของเชื่อมกันให้สนิทไม่ได้แม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในอนเนียนชาสมาบัติของบุคคลผู้มีใจน้อมไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติก็แตกไปฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบันดิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอนเนียนชาสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติ สุนัขตักเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตย่อมตรึตรองธรรมะอันสมควรแก่เนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตนั้นครบแต่คนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอากิญจ ญ, ญาญาตนาสมาบัตย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียสตดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนคนบริโภคโภชนะที่ถูกใจจนอิ่มน้ำและพึงหยุดซะกสุนขัขตัดเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนนั้นพึงมีความปรารถนาในพัทคืออาหารนั้นบ้างไหมไม่ปรารถนาพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพัทหรืออาหารนั้น ตนเองรู้สึกว่าเป็นของไม่น่ากินซะแล้วเพราะอิ่มแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัด ต, ตะความเกี่ยวข้องในอากิญจัญญายตนาสมาบัติก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวะสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติขายได้แล้วอย่างนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้อง กับอากิญจัญญายตนะสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในเนวสัญญาณสัญญายตนะสมาบัติสุนขัขขตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่นิพพานโดยชอบนั้นเท่านั้นยอมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่นิพพานโดยชอบนั้นครบแต่คนประเภทนั้น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 มีแต่น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบสุนัขัตะเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าประสมณะตรัสลูกสอนคือตันหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกสอนคือตันหานั้นได้แล้ว กำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบภิกษุนั้นพึงประกอบเนืองเนืองซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัพายะแห่งใจคืออารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเจริญอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปการฟังเสียงการดมกลิ่นการลิ้มรส การถูกต้องโหทพัการรับรู้ธรรมารมันไม่เป็นสัพปปายะหนึ่งเนืองราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงาแล้วพึงถึงความตายหรือทุกปางตายเปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลแล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศร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 ทายาสมานแผลาตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลและทายาสมานแผลาตามเวลาก็อย่าให้น้ำเหลืองและเลือดปิดปากแผลได้และท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดเนื่งเนืองเมื่อท่านจำเป็นต้องเที่ยวตากลมตากแดดนื่งเนืองก็อย่าให้ละอองหรือสิ่งโสโครกถูกปากแผลได้ท่านต้องรักษาแผลอยู่จนกว่าแผลจะสมานกันดี ผูรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าหมอถอลูกศรให้เราแล้วกําจัดพิษจนไม่มีเชื้อลงเหลือแล้วเราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาจึงรับประทานอาหารที่สแสลงแผลก็กําเริบเขาไม่ล้างแผลตามเวลาและไม่ทายาสมานแผลตามเวลานําเหลืองและเลือดก็ปิดปากแผลเขาเที่ยวตากลมตากแดดนเนืองละอองและสิ่งโสโครก จึงถูกปากแผลเขาไม่ค่อยรักษาแผลอยู่แผลจึงไม่สมานกันเพราะการกระทำไม่ถูกต้องนี้แผลจึงอักเสบได้ด้วยเหตุสองประการคือไม่กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาดและไม่กำจัดโทษคือพิษอันยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ไปเขามีแผลอักเสบ พ, พึงถึงความตายหรือทุกปางตายได้ แม้ฉัน้นใดสุนขะะัขตักเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกสอนคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชายอมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกสอนคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้ว จึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบภิกษุนั้นประกอบหนึ่งเนืองซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปเายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปการฟังเสียงการดมกลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องโภตพะการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปเายะหนึ่งเนืองรคาคะพึงครอบงาจิตได้ เธอมีจิตถูกราคัครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกปางตายสุนัขตระนั่นเป็นความตายของภิกษุผู้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นเขา้าฤหัตในอริยวินัยส่วนทุกนี้เป็นทุกปางตายของภิกษุผู้ต้องอาบัตเศร้าหมองข้อใดข้อหนึ่งสุนัขตัดต เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าประสมณรัสลูกสอนคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกสอนคือตัณหานั้นได้แล้วกําจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเมื่อภิกษุนั้น มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบอยู่นั่นแลเธอจึงไม่ประกอบเนื่งเนืองซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นส ป, ปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นส ป, ปายะทางตาเนื่งเนืองไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นส ป, ปายะทางหูเนื่งเนืองไม่ประกอบการดมกลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องผวดทพะ การรับรู้ธรรมรมณ์อันไม่เป็นสัพเพะทางใจหนึ่งเนืองราคะก็ครอบงามจิตไม่ได้เธอมีจิตไม่ถูกราคะครอบงมแล้วจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกบางตายความตายในอริยวินัยนี้คือการลาสิกขาเปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงหมอรักษาแล้วเชื่อฟังคาสั่งหมอทุกอย่าง หลางดูแลแผลอย่างดีจนปากแผลสมานหายสนิทเพราะการกระทำอย่างถูกต้องนี้แผลจึงหายได้ด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งกำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาดและสองกำจัดโทษคือพิษจนไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่เพราะแผลหายแล้วเขาจึงมีผิวพันธุ์เรียบสนิทจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกปางตาย แม้ชันใดสุนัข ต, ตะเป็นไปได้ชั้นนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจน้อมไปแนนิพพานโดยชอบไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสปายะแห่งใจอันน้อมไปแนนิพพานโดยชอบไม่ประกอบการดูรูปการฟังเสียงการดมกลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องปวดทักพักคือสัมผัส ท, ทางกาย การรับรู้ธรรมารมคือสัมผัสทางใจอันไม่เป็นสัพพยะทางใจเนืองเนืองราคะก็ครอบงำจิตไม่ได้เธอมีจิตไม่ถูกราคะครอบงำแล้วจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกข์บางตายสุนขัขตะเพื่อให้รู้เนื้อความเราจึงทงอุปมาณีไว้ในอุปมาณี มีเนื้อความดังต่อไปนี้คำว่าแผลนี้เป็นชื่อของอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจคำว่าโทษคือพิษนี้เป็นชื่อของอวิชาคำว่าลูกศร น, นี้เป็นชื่อของตัณหาคำว่าเครื่องตรวจนี้เป็นชื่อของสติคำว่ามีดผ่าตัด นี้เป็นชื่อของอริยปัญญาคำว่าหมอภ่าตัดนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนัขัตะเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุนั้นทำความสํารวมในภัตสายตนะหกจึงรู้ดังนี้ว่าอุปธิคือกิเลสเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากอุปธิ หลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิคือนิพพานจากน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธิเปรียบเหมือนภาชนะมีน้ำดื่มเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสแต่เจือด้วยยาพิษต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกมาพบเข้าบุรุษนั้น จะพึงดื่มน้ำที่เต็มเปี่ยมภาชนะนั้นทั้งที่รู้ว่าดื่มแล้วจะต้องตายหรือทุกปางตายบ้างไหมไม่ดื่มพระพุทธเจ้าค่ะสุนัตตะเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในภัษายตนหกรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเง้าแห่งทุกขจากน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธิ เปรียบเหมือนต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกมาพบอารพิษมีพิษร้ายแรงเข้าบุรุษนั้นจะพึงยื่นมือหรือหัวแม่มือให้แก่อารพิษตัวมีพิษร้ายแรงนั้นทั้งที่รู้ว่าถูกอารพิษที่มีพิษร้ายแรงกัดแล้วจะต้องตายหรือทุกปางตายบ้างไหมไม่ยื่นมือไปพระพุทธเจ้าค่ะสุนขัขตตะ เป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในภัษายตนาหกรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเงาแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ประสาศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิจะน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธิพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธิ์นี้แล้วเจ้าสุนัขะตะลิชวีบุตร มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบสุนักขะตะสูตร